ตุติยะฌานฌานที่2มีองค์ประกอบ3คือปีติสุขเอกคตา 3. าตัติยะฌานฌานที่3 ม, มีองค์ประกอบสองคือสุขเอกคตา 4. ี่จตุตฌานฌานที่4มีองค์ประกอบสองคืออุเบขาเอกกตาอารูปฌานสี่ได้แก่